การที่ศึกษาคัมภี์พุทธวงศ์น่ยนะสิ่งที่เห็นดังที่กล่าวปราลบ่อยว่าพระพุทธศาสนาที่จะมีในโลกเนี่ยเป็นของที่ยากเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าสิ่งที่ยับยักษเนี่ยมีอยู่หลายอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ายากอย่างที่สองการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นของยากและที่สําคัญก็บอกว่า ทำรรมวินัยที่พระองค์ประกาศแล้วจะเจริญรุ่งเรืองในโลกนี้ก็ยากโดยเฉพาะโลกในคือใจของเราเนี่ยนะใจของเราที่จะเจริญงอกงามรุ่งเรืองในคําสอนของพระองค์นี้ก็นับว่ายากข้อความในทุติยะชะสุุทติยะชกขละสูตรสังยุตินิกายมหาวารวัชเนี่ยนะสัจจะสั่งยุศพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย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 ลมทิศอุดรคือทิศเหนือก็พัดเอาไปทางทิศทักษิณคือทิศใต้ลมทิศใต้คือทักษิณก็พัดเอาไปในทางทิศอุดรเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปตพีนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อย ป, อปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งร้อยปีโผล่ทีเดียวณนะสมมติน้ําท่วมโลกนะนะเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ทีหนึ่งเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไง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 ข้อความในพุทธวงศ์ต่อไปวงของพระสุมาณะพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าสุมนเนี่ยนะสุมาณะเนี่ยนะนะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่นับแต่พระทีปังกรนะโกนธัญะมังคละพระพุทธเจ้าสุมาณะเป็นองค์ที่สี่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบดฟังในพุทธวงศ์ว่า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 ก็เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งเนี่ยนะถามถึงนิโรธสัจจะคือพระนิพพานจากฟังคำถามที่ถามออกไปพระองค์ก็ตอบมาก็ฟังแล้วก็เห็นอริยสัจบรรลุมรรคผลเป็น9ก้าหมื่นโกดเนี่ยนะเราไม่ต้องแปลกใจเราโอ้โหมันอพิเศษขนาดนั้นนะขนาดก็ท่านก็ว่าพระองค์ตรัสชัดที่สุดแล้วเรายังไม่ค่อยจะเข้าใจเนี่ยนะมันก็ปัญญามันต่างกาันทาบุญมาต่างกาัน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 สงสัยเนี่ยนะบรที่สงสัยเนี่ยบอกถ้ายังสงสัยเนี่ยอนาคตกุดลว่างั้นะแปลว่าไม่เจริญงอกเงยเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะคลายความสงสัยถ้ายิ่งสงสัยต้องรีบไปถามผู้ที่เขาสามารถแก้ความสงสัยให้ได้นะถือว่าเป็นยาพิษชนิดร้ายแรงที่เราดื่มเข้าไปแล้วล่ะเพราะว่าถ้าสงสัยในพระรัตนตรัยที่จะเจอจะเจริญงอกงามในศาสนาของพระัตนตรัยก็ไม่ใช่อยู่แล้ว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 พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้านั้นบอกว่าเราเป็นพญานาคชื่อว่าอตุละไม่มีพญานาคไหนเสมอเหมือนอ น, นะไม่รู้ว่าตระกูลมิรูปักขา่าหรือกันหาโคนทับกันหาโคนตามากะหรือว่าฉับพยาปุตตะเนี่ยนะแต่ก็อยู่ไม่เกินสี่ตระกูลนี่แหละมันก็ได้เป็นพญานาค ก, ก็คือพญางูมีฤทธิ์มากเป็นผู้สั่งสมกุศลไว้มาก อย่าเลินนว่าสั่งสมบุญไว้เยอะเนี่ยนะก็ยังพลาดไปเกิดเป็นงูเขาบอกว่าชาติที่ปเกิดเป็นงูเนี่ยนะงูเนี่ยมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความกโกรธเนี่ยนะเป็นตัวแทนของความกโกรธในบรรดาสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายพรานถ้าเราสะสมนิสัยนิ ย, โ ย, ย, ยมโกรธบ่อยๆมักจะกโกรธบ่อยๆจริงๆก็ไม่ได้ชอบแต่มันมันมกจะเกิดอ่ะนะก็เลยก็งั้นก็สะสมอัธยาศัยนิสัยที่จะเป็นพญานาคเนี่ยนะสะสม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 บำรุงบำเรอพระชินะพุทธเจ้าด้วยดนตรีทิพย์เพราะในพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนาคคือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไมบรรดาหินนาคบนไดนั่นถ้เกี่ยวกับเรื่องนาคคือเป็นเรื่องธรรมดาทางอินเดียหรือไทยเนี่ยนิยมใช้คำว่า น, นาคถ้าภาคเมืองจีนเขาใช้คําว่ามังกรนเนี่ยก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือกลุ่มตระกูลงูทั้งหลายนั่นแหละพญานาคบอกว่าเราเลี้ยงดูภิกษุแสนโกรธให้อิ่มน้ําสําราญ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 จากตรัสรูณโพพฤกชื่อว่าอสัตต้นโพใบก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธบิดาล่ะนะท่านผู้นี้คือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ชาติเป็นพระพุทธเจ้าจักมีพระชนนีพระพุทธบิดานามว่ามายาพระชนกพระนามสุดโทธนะท่านผู้นี้ชื่อว่าโคตมะเรียกตามโคดนะโคตมะโคดเนี่ยนะพระองค์นี้จักมีอัครสาวกชื่อว่าโกริตะ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 โพพฤกนนะพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอัศทะต้นโพใบอัครอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถาอารวักะอัคระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมผู้ยศนะผู้ทรงยศพระองค์นั้นนะมีพระชนมายุประมาณร้อยปียุคน้อยจังเลยนะ สมัยที่คนมีอายุเป็นหมื่นมื่นปีเนี่ยพยากรณ์บอกเนี่ยท่านผู้นี้จะเกิดในสมัยร้อยปีนะซึ่งสมัยพวกเราพรเพล๊ะเลยนะพยากรณ์แม่นมากร้อยยังไม่ถึงเลยเนี่ยนะแต่ถึงร้อยนี่ก็มีบุญหนักนาแล้วนาเหมอนนเทวดามนุษย์และเทวดาฟังพระดำรัสนี้ของพระสุมณะพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบเลืลล่มใจว่าท่านเหล่านี้เป็นหน่อพู้ทางกูลท่านเหล่านี้เป็นมีเป็นพืชพันุ์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ปลื้มใจบอกว่าหมื่นโล ก, กธาตุพร้อม ท, ทั้งเทวโลกก็พากันโห่ร้องปรบมือหัวร่ อ, อ, ร, อร่าเริงประคองอัญเชลีนมาสการคำนอบน้อมกล่าวว่า ข้าว่าหากพวกเราพลาดจากคําสั่งสอนของพระโลกกนธาพระองค์นี้หมายว่ามาเจอพระพุทธเจ้าสุมาณะพุทธเจ้าแล้วก็มาเด็ตรัสรู้ในอนาคตการพวกเราจะอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้จะอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละขอให้บรรลุเหมั้นอย่าให้มันเลยอีกต่อไปเลยเางือนมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ําพลาดท่าน้ําข้างหน้าก็ยังถือเอาท่าน้ําข้างหลัง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 มไม่น่าเก้าหมืปีนะแปลผิดว่เก้าพันปีนะแก้นิดหนึงงมาพระองค์นั้นทรงครองค า, ารวาสวิสัยเก้าพันปีมีปราสาทยอดเยี่ยมชื่อว่าจันทสุจันทและวตังสะนั่นะมีปราสาทอยู่สามสามหลังพระองค์ทรงมีพระสนมนารี แต่งกายงามหก0มื่นหกมื่นสามพันนางนะก็คือพนรรักงานทั่วไปนะมีพระมเ ah หสพีพระนามว่าวตังสกีมีพระโอรสพระนามว่าอนุปมะกรไรที่เปรียบนะลกูลกชายในชื่อว่าหมายไรใครเปรียบนะไม่รู้จะเอาใครมาเปรียบว่กนะังพระนาง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 เห็นคนตายก็เห็นเนี่ยเขาก็ไปงานศพกันประจําสุดท้ายก็เห็นนักบวชก็เห็นพระเดินบิณฑบาตทุกวันเนี่ยนะแต่เราก็ยังเหมือนเดิมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมก็เพราะว่าเราไม่มีบุญเนี่ยนะไม่ได้สั่งสมบุญไว้เทวทูตทั้ง4ประการจะมาเตือนยังไงก็เหมือนเดิมเหมือนจะมีคำว่าใบเตือนขนาดไหนก็ทําใจได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับพระพุทธศาสนั้นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีมาเต็มเตี่ยมแล้ว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 ผู้นำโลกผู้สงบอันท้ามหาพรหมอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจันะกรณกรุงเมฆคละราชธานีกรุงเมฆคละราชธานีก็เมืองของพระราชบิดานั่นเองพระพุทธเจ้าของเรานี่ประกาศที่เมืองพราราณสีใช่ไหมพระพุทธบิดาอยู่ก บ, บิลพัตร์เนี่ยนะหมาต้องทรงทูตมาเชื้อเชิญนะจึงจะไปอันนี้ไปโปรดที่เมืองพระราชบิดาเลย พระสมณะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอักขาระสาวกชื่อว่าสารณะและพระภาวิตตะพระสารณะก็คือพระผู้เป็นที่พึ่งแปลภาษาไทยว่าพึ่งได้พระอักระสาวกข้างซ้ายนี่พึ่งได้จริงๆแปลว่าแสดงว่าท่านช่วยให้สมความปรารถนาก็เลยเรียกว่าท่านพระสารณะพระพึ่งได้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 ต้นไม้ที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นกากะทิงนั่นเองพระองค์มีอัคราอุปถากชื่อว่าวรุณะและสรรนะมีอัคราอุปถายิกาชื่อว่าจาราและอุปจาราา น, นะพระรหัสสมัยพุทธกาลของเราก็มีนะจาราอุปจาราสีสุปจาราเนี่ยนะก็มีในเถรีคถาเขามีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยส่วนสูงพระองค์สูงเกศอกพระรูปพระโฉมงดงามเสมือนรูปบูชาทอง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 พระองค์เนี่ยดำรงอยู่ตลอดแนวนานนะตั้งเก้า0มื่นปีช่วยเทวดาและมนุษย์ให้บรรลุนะช่วยสําเร็จเยอะเลยนะเหลือแต่พวกเรานี่มันเหลือได้ยังไงเนี่ยคำว่าชนเป็นอันมากคือพวกพุทธเวไนเนี่ยนะพวกที่พระพุทธเจ้าพอจะโปรดได้ตอนนั้นพระองค์เห็นเราแล้วล่ะนั่งทําตาปิดๆยังไงไม่ทราบเลยเนี่ยไว้ก่อนแล้วกันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังคนที่ควรข้ามให้ข้ามโอฆ่าสงสารพาให้ข้ามด้วยอาริยมรรคนะนะ ทรงยังชนที่ควรตรัสรู้ให้ตรัสรู้แล้วก็ทรงเสด็จดับขันตรีในพานเหมือนเดือนดับ น, น, นะพระองค์กรบอกว่าเหมือนอาทิตย์อัสดงคตใช่ไหมฮะอาทิตย์อัสดงคตก็ถึงความมืดอันนี้ก็บอกว่าเหมือนพระจันทร์รับขอบฟ้าไปแล้วนะนะกลางคืนเนี่ยถ้าใครเป็นนักเดินทางกลางคืนที่โดยใช้แสงจันทร์เป็นแสงสว่างเลยนะตอนสมมติว่าบางช่วงในช่วงเ ด, เดือนข้างแรม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 ถ้าอย่างนี้ข้างแรมเนี่ยเดือนดึกเดือนดวงเดือนจะสว่างขึ้นนะแต่ถ้าพูดถึงธรรมดาทั่วไปถ้าดวงเดือนสองสว่างเสร็จแล้วในที่สุดเนี่ยนะถ้าเดือนรับขอบฟ้าไปแล้วมันมีแต่ความมืดสมัยเด็กๆชอบเดินทางกลางคืนชอบเดินทางกลางคืนเพราะั้นเวลาที่ตอนที่สองสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนะมันมีแสงสว่างแห่งดวงเดือนพอเดินไปได้เดินไปถูกแต่พอสี่ห้าทุ่มไปแล้วเดือนรับขอบฟ้าเนี่ยมัน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 อนุปาทิเสสะปรินิพานดับกิเลสเสร็จตั้งกแรกแล้วในที่สุดก็ดับวิบากและกรรมชรูปดับทั้งหมดเนี่ยนะในที่สุดก็เหมือนกับอะไรขีนางบุรนังนวังนัททิสัมภวังประทีปที่สิ้นเชื้อดับไปฉะนั้นพระยานที่ไม่มีอะไรวัดได้นั้นพระยานของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรวัดได้เช่นกับอากาศ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 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะผู้ทรงยศเสด็จดับขันปริญิพานณ์พระวิหารอังคารามชินะสถูปพระชินะสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นในพระวิหารนั้นนั่นแลสูงสี่ยอดเนี่ยเจดีย์ใหญ่มากนะในที่สุดบัดนี้เจดีย์ก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่มีเหลือแล้วเนี่ยนะ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 แต่ว่าพอมองเห็นเนินดินเขาอกว่าเนินดินบ้านนาสุชาดาเขางั้นเจดีหลายๆแห่งเนี่ยนะอย่างที่ที่อินโดนีเซียใช่ไหมก่อนหน้านี้ใครจะไปรู้ว่าเนินอันนั้นคือมหาเจดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะลายๆแห่งก็จะเป็นอย่างนั้นแม้แต่เจดีองคใหญ่ๆก็จะมองเป็นจอมปลวกฉนั้นเราไปที่เชตวันะเจดีที่สีกลางมันก็มีต้นญ่าขึ้นปกคลุมถ้าต้นญ่าขึ้นปกคลุมบ่อยๆไม่มีการช่ำระก็จะเหลือแต่ต้นจากต้นญ่า ก็กลายเป็นดินก็มาอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นนะข้างในก็เริ่มผุข้างนอกก็ดินทับถมลงมาก็กลายเป็นจอมปลวกจอมหนึ่งเท่านั้นเองในที่สุดก็อันตรทานเนี่ยนะกลายเป็นผุ๋ยผงไม่มีอะไรเหลือแล้วในโลกเมื่อคนที่เข้าใจประวัติก็ไม่รู้นะถ้าพุทธคุณก็ไม่รู้คําสอนก็ไม่เข้าใจผู้ที่ปฏิบัติตามก็ไม่มีอันนี้แหละเขาเรียกว่าศูนย์ก็คือบ้างเปล่าเปล่าแบบชนิดที่เรียกว่า เปล่าจากสุตะเนี่ยนะเปล่าจากศรัทธาศีลสุสตะจากขปัญญาเปล่าจากคุณธรรมที่ควรจะได้รับจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระองค์นี้บำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกเมื่อไม่ได้รับคุณธรรมจากพระองค์แล้วจะน่าน่าสงสารขนาดไหนนะพระองค์ทําทุกอย่างเพื่อเราเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากพระองค์แม้แต่นิดเดียวเพรันก็มีหลายคนเขา อ, อ่านพุทธประวัติอ่านพุทธคุณอ่าน มหาปรินิพพานสูตรสองสามพระพุทธเจ้าจริงๆเลยเขาว่างนั้นใช่สงสารพระพุทธเจ้าจริงๆที่โปรดเราไม่สําเร็จสงสารจริงๆเลยแมพระองค์น่าจะโปรดเราสำเร็จพระองค์ยังโปรดเราไม่สำเร็จพระองค์น่าสงสารจริงๆนั่นนะเราอย่างนั้นหรือเปล่านะสงสารพระพุทธเจ้าเหลือเกินที่โปรดเราไม่สําเร็จอ่างนั้นแย่างนั้นเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนั่งเรื่องนะแสดงว่าไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ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 นะสุมนณะเรวตะและโสพิตะนั่นเองพอมีเกิดขึ้นสี่องค์เลยนะในสี่องค์นั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าพนามว่าก่อนหน้านั้นคือพระพุทธเจ้ามังคละพระองค์ดับขันปริณิพานก็ทำามื่นโล ก, กาธาตุให้มืดลงพร้อมกันเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้ามังคละนี่มีพระสมีแสงพุ่งออกจากพระรากาย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 จากหมื่นปีเหลือ 90, เก้าหมื่นเหลือแปดมื่นกว่าเหลือแปด0มื่นเจ็ด0มื่นสี่หมื0 0ห้า0มื่0สี่มื่นสามมืสองมืหนึ่งมื่นเก้าพปีแ0ดพันเจ็ดพันห0พันห้าพันสี่พันสองพันหนึ่งพปีเก้าร้อยปีแปดร้อยปีเจ็ดหห้าสี่สาสองหนึ่งตลอดร0อยปีตลอดเก้าสิบปีแปดสิบปี เจ็สิบปีเอ๊ยใหยุคพวกเราแล้วนะโอ้ก็มันลดขนาดไหนมันลดมากเลยนะลดยิ่งกว่าเครื่องบินบินสูงแล้วมันลดพื้นดินบินแล้วมันจะเลิศติดดินอยู่แล้วเนี่ยนะเจ็ดสิบปีหกสิบปีห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบเหลือประมาณสิบปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็กว่าอายุยืนมากสิบปีตายยืนจริงๆเลยนะโอ้ยอยู่ได้ยังไงอยู่ตั้งสิปีเนี่ยนะยุงมันอัศาจรรย์มากเลยนะ ยงนี่สงสัยมาี่โอ้โหมนุษย์อยู่ได้ยังไงตั้ง10ปีเนี่ยนะนะมแมลงวันนี่งงเลยนะอยู่ได้นานจังเลยวนะ่าั้นนี่ก็เหมือนกันกลดมาเหลือประมาณ10ปีก็ตายเนี่ยนะก็สังเวชขึ้นมาประพฤติดีปฏิบัติชอบอายุก็เพิ่มขึ้น 10, 20 30 40 50ามสี่สิร้ปีนะหลายร้อยปีพันปีหลายพันปีนะหลายพันปีก็เป็นหมื่นปีก็หลายหมื่นปี